เริ่มกันใหม่เป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็อยาขออธิบายคําสมาทานสักนิดหนึ่งที่ตอนท้ายว่าขอญาณทั้งหลายเหล่านี้มีทิพยคุยญานเป็นต้นมั่นหมายความว่าอะไรคือก็หมายความเราขอบารมีพระพุทธเจ้าบอกขอให้มีทิพ ย, ยคุญาณคาว่าทิพยคุยญานนี่ไมันจะหมายความว่าตาทิพย คือมีอารมณ์ความรู้ทางใจคล้ายตาทิพย์อยากจะรู้อะไรก็รู้ได้เมื่อก็ตาเมื่อก็ตาเห็นอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้จะคุยกับเทวดาหรือผมก็ได้จะคุยกับสัตว์ในรกหรือว่าคนที่ตายไปแล้วก็ได้เมื่ อ, อไรก็ได้ตามความต้องการสำหรับจูตูปปาติยานก็เป็นยานที่รู้การตายและการตายและการเกิดของสัตว์ ว่าคนละสัตว์ที่เกิดมานี้ก่อนจะเกิดเขาเป็นอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติถอยหลังชาติของตนเองได้เจโตปิยญาณสามารถรู้ว่ารู้ว่าระนามจิตขของคนอื่นว่าจิตของคนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์ว่ามีกิเลสอะไรเป็นเครื่อง รวมความบรรลุใจเขามีกิเลสมากหรือมีกิเลสน้อยบรรลุมากผลหรือไม่รู้ได้แล้วก็ อ, อ, อัตติตังสียานรู้เรื่องราวในอนดีตคือที่แล้วแล้วมาของคนแลสัตว์และสถานที่อนาคข้ตาตังสียานรู้เรื่องราวในอนาคตของคนแลสัตว์และสถานที่ว่าจะเป็นยังไง ปัจจุบันนังสยามรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรได้มักผลขนาดไหนได้ชาติสมาบัตดขนาดไหนยาถากรรมูตายานรู้ความดีและกดของกรรมความดีและความชั่วของคนที่มีความสุขหรือความทุกข์ได้เพราะอาศัยกมมารรมอะไรเป็นเหตุนี่การที่เราสมาทานขอบารมีพระองค์สมเด็จพระบรมมหาราชเยช ให้ได้ญาณทั้งหลายเหล่านี้แต่ความจริงก็ทำไม่ยากนะครับญาณทั้งแปดรายการนี้ทำไม่ยากแต่ว่าท่านนั้นหลายเป็นคนเอาจริงผมว่าไม่เกินสามเดือน <c oughs> ทําไมผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเองผมฝึกเจ็ดวันนั่นเอง ยานแปดยานนี่เราพูดกันภายในไม่ใช่โกหกผมฝึกเจ็ดวันด้วยความจริงเจ็ดวันเนี่ยผมตั้งเขาผมเองในเจ็ดวันแต่ถ้าอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่เจ็ดวันเพราะฝึกวันนั้นท่านบอกวันได้วันนั้นแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจมาถึงเจ็ดวันแล้วผมได้มั่นใจผมยังบอกว่าเจ็ดวันแบบฉบับของเรามี ถ้าเราเอาจริงเอาจังทำได้ที่วัดเรานี่มีกำไรมากผมสร้างแบบไว้ทุกอย่างท่านจะอะไรกันก็ได้หมดแต่สังเกตดูให้ดีนะว่าใครจะได้ยานแปดยานได้อยานใดยานหนึ่งนั้นต้องสังเกตจริยาถ้าจิตหนักในความรักในเพศจิตหนักในความโลก จิตหนักมาในความโกรธความเียบบาดหรือว่าจิตหนักมาในความหลงอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าบังเอิญเขาจะเคยได้ยานยานก็พังดูตัวอย่างพระเทวทัตได้พิญญาสมาบัติเพราอจิตกำเริบคิดว่าจะคิดอะไรจะแข่งบา ร, รมีกระองสมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาค ให่คิดว่าจะยึดอำนาจในการปกครองสงูงพระจิตคิดเท่านั้นเองชาญสมาบัติพังสลายตัวหมดเป็นอันว่าพระเทวทัตที่ชาญพังง่ายก็เป็นเพราะว่าอากตันยูไม่รู้คุณโฮ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและมีความโลภมีความทะเยอทะยานเป็นสำคัญ เป็นว่าท่านทั้งหลายที่เขาได้ยานทั้งหลายอย่างทั้งหมดเนี่ยเอากินได้ทิพย์อยู่กุญานอันเดียวก็ได้หมดถ้าไม่ยากทั้ง่ายง่ายไม่ขึ้นกับกำลังใจเป็นสําคัญแต่ว่าพอได้ยานอย่างนี้แล้วต้องคุมทุกอย่างถ้าผู้ชายไปรักผู้หญิงผู้หญิงไปรักผู้ชายยานพังพอนึกรักกันหน่อยเดียวพังไปแล้วไม่เหลือ หรือ ว, ว่ามีความโลภอยากจะร่ำรวยถ้าเยออที่ยานมีความตะเกียบตะกายอยากได้ทรัพย์สินามาปกครองเป็นของตนเพียงนึกเท่านั้นฌานก็พังยานก็พังหรือ ว, ว่ามีความโกรธความเพียมบาทคิดว่าแหมเขาไม่ดีกับเรานะเขาไม่ส่งไม่เสริมเรา เวลานี้เราไม่เราไม่เป็นที่รักของเขาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นยานพังเป็ะนั้นว่ายานทันหลายที่ใครได้สังเกตดูให้ดีเขาไม่จะไม่มีอารมณ์อย่างนี้เพราะเขาต้องระวังเรีว่ายานจะพัง <c oughs> แต่ว่ายังเป็นโลกีวีใสยังไม่ถึงมโสดาบันยังไงยังไงก็มีจังหวะพังจนได้ แล้พังแล้วก็ตั้งตัวใหม่ได้สังเกตได้ว่าคนพวกนี้เพ่อมีจริยาดีเสมอไม่เบียดเบียนใครไม่คมขีใครไม่คมขู่ใครไม่ทนนงใครไม่นินทาว่ารายใครมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงค์เป็นคนดีเต็มไปด้วยความกตัญญูรู้คุณคน คุณทำความดีทั้งหมดอย่างนี้ท่านพูดทรงญานอย่างนี้ก็าทรงไวอะไรที่องค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ดีเขาไม่ทำและอิราการนึ่งคนพวกนี้มักจะไม่ไมีไม่เห็นกับชีวิตของตนชีวิตเป็นเรื่องเล็กแต่ความดีเป็นเรื่องใหญ่ตายช่างมันทรงความดีให้ได้ก็แล้วกัน นี่ความยิงท่านที่ได้ยานทั้งหลายเหล่านี้เป็นอรหันต์ง่าย <c oughs> ถ้าได้ยานอย่างนี้ครบ <c oughs> ได้ยานอย่างนี้ครบพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้ามีบา ร, รมีแก่กลางจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดวันถ้าบา ร, รมีอย่างกลางจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบา ร, รมีอ่อนจะเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปี แต่คนนี้ก็ได้ยานแบบนี้ไม่มีใครเขาแช่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือก็หายากไม่มีใครเขาจะไปพักอยู่แค่นั้นเขาก็ตะเกียร์ตะกลายหาความเปื่อราหันจนได้แล้วว่าอย่านึกว่าผมเป็นพระอราหันต์ไปด้วยนะผมเล่าให้ฟังตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเท่านั้น <c oughs> วันนี้เราก็ไม่หาเรื่องเรื่องเร็ว รเรื่องเราเลวที่เนื่องในความโกรธเอามาคุยสู่กันฟังและไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามมาในพระสุ ต, ตันตบีโดกสัญญุตนีกายสขาทวักเล่มที่เท่าไรไม่ต้องบอกดีกว่าละมัง้งอย่าไปบอกเลยนะเล่มที่เท่าไรเนี่ยเล่มที่สนะิบห้าน่ะพระไตรปิฎกสยามรัฐ มาสองร้อยยี่สิบสี่เรื่องของความโกรธไม่ใช่พระพุทธเจ้าโกรธคนอื่นเขาโกรธพระพุทธเจ้าเขาโกรธแล้วไม่พอเขาก็มดาด่าพระพุทธเจ้าเล่นมนดาด่าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทํำยังไงฟังต่อไปในะเพื่อความรู้ของท่านเรื่องสมาธิจิตอน า, นาปานุสติอะไรเนะี่ยผมไม่พูดลเลยพูดแล้ว พูดไปก็เท่านั้นแบบแผนก็มีอยู่แล้วพอฟังตอนเย็นก็ฟังพูดไปก็เมื่อยปากเอาตัวตัดกินเหล็กกันดีกว่าว่ากันต่อไปท่านกล่าวว่าสมัยหนึ่งมาองสำเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมะทัพอยู่ในพระ ม, มหาวิหารชื่อว่าเวฬุวันท่านกล่าวว่า วิหารนี้สมัยนั้นเป็นสวนเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต่ของมพระเจ้าบันดินมคตฎแต่งกล่าวว่าอกโกสกะพาระทวาชจพรามชื่อยาวเหย็ดนะ <c oughs> อกโกสกะพาระทวาชจพรามได้ยิงข่าวมาว่า พรามีนามว่าภารทวาชโครเพื่อนกันออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าฟังแล้วก็โกรธว่า น, น้อยแน่พระสมณโคดมตัวถือละทิอย่างหนึ่งมาใหม่มาแสดงตัวเป็นเด่งกับพวกเราเอาเพื่อนของเราไปบวชอันนี้ใช้ไม่ได้ กรธจัดตามพระนบาลีกล่าวว่าเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่ายเจ้าถึงที่ประทับแต่ผมขอจะไม่ขอว่าเข้าไปเฝ้าบอกเข้าไปตั้งใจจะด่าพระพุทธเจ้าถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วก็กล่าวว่าจาด่าองค์สมเด็จพระบรมครูอย่างชาวบ้านเขาด่ากันท่านบอกว่าด่าบแบบหยาบหยาบคล้ายๆเหมือนกับ คนที่ไม่เช่คนนั่นแหละค้นด่ากันเอ้ะคนไม่ใช่คนไปไงฟังต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยแก้ไขยังไงเวล า, าเหลือน้อยนะเอ็งกล่าวว่าเมื่อเมื่ออโคสกะภารทวาชาพรามหมายยาวเหยียดอโคสกะนี่ไม่จริงแล้วมั้ง แม้แก่แต่โกนดาน่าในอโคสกาได้ยังไงแล้วบอกคุณเอ้ยคุณจะบอกโคศกแต่โกนด่ากล่าวด่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วสมเด็จพระผู้มีสมเด็จพระบัณฑิแก้วได้ทรงตัดกับอโคสกะพราหมณ์อโคสกาภาระธวาชพราหมณ์มาดูก่อนพราหมณ์ ท่านมีความสำคัญยังไงในความข้อนั้นเป็นช่นไหนเนมิตรและมาดที่เป็นญาติสายรุหิตของท่านผู้เป็นแขกของท่านเคยมาหาท่านบ้างไหมฟังให้ดีนะว่าเวลาถ้าเราถูกด่าน่นะอย่าลืมนะเราเป็นลูกพระพุทธเจา้าต้องถูกด่าแน่ อย่างพวกท่านอาจมาเป็นลูกใหม่ๆอาจจะถูกด่านน้อยอย่างผมนี่ไอ้คําด่าที่ชาวบา้านเขาด่าชวัดด่านพรามว่าจะตั้งฉางสักร้อยฉางถ้ามันเป็นมะถุ ก, ก็ล้นถูกด่ามาซะจนหน้าด้านใจด้านหนังด้านไปหมดแล้วใครจะด่ายังไงก็ฉางแต่โกนด่ายังไงก็ฉางขี้เกียจ ต, ตอบ ไอ้ที่เกียรติตอบเพราะอะไรว่าตอบด่าไปก็สู้เขาไม่ได้มันด่าสู้เขาไม่ได้ผมกเม็เลยไม่ด่าเลิกแต่ก่อนนี่เคยด่าตอบเขาเป็นการด่าจริงๆ จ, งจังสู้เขาไม่ได้ฮะเขาเก่งกว่าก็เลยเลิกด่าเพราะเลิกด่ามันก็ไม่เหนื่อยนี่ดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าต่อไปท่านต้องจนนะําไว้น่ะว่ายังไงยังไงพวกท่านก็ถูกด่าแง่แงไม่ต้งองห่วไอ้เรื่องดา่าเตรียมตัวด้วย ท่านถามทั้งว่าญาติหรือว่าอมา ร, รือเพื่อนเคยมาหาบ้างไหมอาโคเสกกะพาราทวาชเจาพรามก็ตอบว่าพระสมณโคโดมผู้เจริญนี่เขแสดง ก, การเหยียดยามในการเรียกชื่อเนี่ยมิตรละอมารญาติสายุหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ ย่อมมาในการบางคราวนี่ท่านที่แปลไว้บอกข้าพระองค์นะแต่ความจริงเขามไม่พูดกับข้าพระองค์คาเขาโกรธโกรธแต่ใครแยครใช่ครับพูดกับข้าพระองค์ว่าพวกแขกพวกญาติมิตรอมัดมาหาเราเหมือนกันในการบางคราวสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดถามว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านมีความสําคัญในข้อนั้นเป็นไง ท่านจัดของเคียวของบริโภคหรือว่าของดื่มต้อนรับมิตรแล ม, มารญาติสายฤทิตผู้เป็นแขกเรานั้นมาบ้างหรือไม่มีไหมเวลาเขามาในจัดของรับรองเขานั้นมีไหมรามเกวก็บอกว่ามีพระสปนโคดมมีทำไมจะไม่มีเข้ามาก็ต้องรับสี ในการบางคราวเราก็รับในการบางคราวเราก็ไม่จัดใด้แขกใกล้ๆไปแล้วก็ไม่จัดถ้าไกลหน่อยเราก็รับพระพุทธเจ้ายังตัดถามรรมาพรามก็ท้าว่ามิามาตรละมัดหรือแขกที่มาหานั้นเขาไม่รับของเคี้ยวของบริโภคและน้ําดื่มที่ตนจัดให้นั้นขอเน่าหลเหล่านั้นมันจะเป็นของใคร พรามก็จะตอบว่าพระสมณะโอดมถ้าเขาไม่รับไอของเหล่านั้นมันก็เป็นของผมตามเดิมนะที่นี่จะเป็นของใครล่ะองสมเด็จพระจอมไตร ย, ยินดีทรงตรัสว่าดูก่อนพรามข้อ น, นี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ อันหมมั่นมีความอาฆาตมาดรายเราผู้ไม่อาฆาตอยู่เราก็ไม่เคยคิดว่าจะรับเรื่องการด่าเป็นต้นของท่านดูก่อนพรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นเป็นของของบุคคลของท่านแต่พูดเดียวพรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านพูดเดียว แล้วแต่ต่อไปว่าดูก่อนพราหม์พูดใดด่ดาตอบบคุคคลพูดใดอยู่โกรธตอบบคุคคลผู้โกรธอยู่ไม้มั่นปั้นมือคิดอาคาดมัด ร, ร้ายบคุคคลผู้หมายมั่นปั้นมือคิดอาคาดมัด ร, ร้ายอยู่ดูก่อนพราหม์ผู้นี้เรากล่วกาวว่าย่อมบริโภคด้วยกัน หมายความมันเลวด้วยกันเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจบาลีท่านบออย่างนั้นไงเป็นนั้นว่าเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาเราก็โกรธไปเขาเลวแล้วก็เลวเอ้ยความโกรธความด่าเนี่ยมันเป็นความเลวไม่ใช่ความดีคนที่ด่าคนนะท่านอย่านึกว่าเขาดีนะเขาเลว ในเมื่อเขาเลวแล้วเราก็อย่าเลวตอบไอสภาพความเลวก็สภาพของเขาคล้ายๆกับสุนัขเนา่าสุนัขเน่ามันเหม็นมันเลวไม่มีใครต้องการเรามีสภาพเหมือนกับใบตองถ้าสุนัขเน่าลอยมาแล้วใบตองใบหอสุนัขเนา่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เนา่ามันก็มีกลิ่นเหม็นติดใบตองใบตองจะไม่เนา่าก็มีกลิ่นเหม็นเช่นใดถ้าเขาด่าเราเราด่าเขามันก็เน่าเท่ากัน ฉะนั้นเมื่อเขาด่าเรามาเขาเลวก็าปล่อยเขาเลวไปแต่พนเดียวเราอย่าไปนั่งเลวกับเขาให้เดี๋ยวไม่จบอ่ะผมขอต่อเรื่องเลยท่านกล่าวว่าดูก่อนครามผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคโด้วยกันคือเลวด้วยกันแล้วก็ย่อมทําตอบกันคือทําด้วยกันเราไม่บริโภคร่วมเราไม่ทําตอบด้วย เราไม่ทําตอบด้วยท่านเป็นอันขาดเพื่อท่านอยากจะด่าก็ด่าเป็นคนเดียวฉันไม่ด่ากับแกละเชิญที่ประคุณด่าให้สบายถ้าเก่งจริงด่าจะหยุดแล้วถ้าเงยกล่าวแต่ว่าต่อบไปว่าดูก่อนพรามเรื่องมีการด่าเป็นต้นเป็นของท่านผู้เดียวพราม เรื่องการด่าเป็นต้นนั้นท่านพูดเดียวเท่า น, นั้นเป็นผู้รับไว้เราไม่ได้รับเอาละสิตอนนี้ยุงนี่พราหมณ์ก็ถามว่าท่านบอกพราหมณ์พร้อมไปที่บริษัทแล้ก็พร้อมกับพระราชาโอ้ด้นานที่นั่นมีคนเยอะนี่มีชาว บ, บ้านมีทั้งพระมีทั้งระราชามีทั้งมาดมีเยอะพราน์ก็กล่าว่าว่านี่ พระสมณโคดมบริษัทของท่านมีพระราชาเป็นต้นย่อมทราบว่าพระสมณโคดมผู้เจริญว่าเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์เช่นนั้นทำไมท่านจีงเล็กยงังยังโกรธเราอยู่ล่ะพระเจ้าตอบว่าไงฟังให้ดีนะ องสมเด็จว่าผู้มีพระพายเจ้าถึงกัดว่าพรามผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนนี้แล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วพะรู้ชอบสงบคงที่ความไม่โกรธจะมีความโกรธจะมีมาจากที่ไหนคุณใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ผูนั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั้นเองหมายความว่าถ้าเขาโกรธเรามาแล้วก็เราโกรธตอบเราเลวกว่าเขาถ้าว่าอย่างนั้นนี่ท่านด่าแบบประเภทผู้ดีจริงๆเมื่อการโกรธตอบนั้นบุคคลนั้นไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยาก ผู้ใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นกรธแล้วมีสติสงบเสียได้ผู้นั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์ตั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและบุคคลอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือคือของตนและของบุคคลอื่นชนทั้งหลายที่มีความโง่ไม่มีความฉลาดในธรรมย่อมมีความสําคัญว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เขา เนโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบพราหมณ์แบบนี้จําให้ดีนะถ้าเ้าด่าเราแล้วเราไม่ด่าตอบเขาก็จะคิดว่าเรานี่กลัวเขาเราโง่กับเขาก็ยันด่าตอบแต่ว่าพระพุทธเจ้าทำไมได้คิดอย่างนั้นท่านคิดว่าถ้าใครเขาโกรธเราเราไม่โกรธตอบ ใครเขาด่าเราเราไม่ดา่าดาวตอบไม่ด่าตอบเราเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากก็หมายควายคําว่าสงครามที่จะต้องต่อต้านต่อสู้ต่อรอต่อเถียงซึ่งกันและกันมันมาจากความโกรธการที่เขาโกรธเราเราจะไม่โกรธตอบและเขาด่าเราเราจะไม่ด่าตอบเพราะความโกรธเป็นสำคัญบุคคลผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรมสองประ ก, การไปจําใจ อย่างใดอย่างหนึง่งนั่นก็คือหนึ่งพรหมวิหารสี่เมตตาความรักกรุณาความสงสารโมตุตามีจิตอ่อนโยนอุเบขาวางเฉยหรืองรายการที่สองผู้นั้นก็จะมีฌานจากกระสินอย่างใดอย่างหนึง่งคือกระสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นฌาน ชื่ว่าเป็นผู้ทรงความดีหนักจริงจะไม่โกรธตอบจริงจะไม่ได่าตอบในเ่ในเมื่อท่าน ท, านทรงชานแะล้วสอนรายการอย่างนี้เป็นชันเบื้องตนเรื่องความดีเล็กๆในพรมีอหารสีก็เป็นชานหรือว่าในกระสิงก็เป็นชานก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามคือความโกรธคือใ น, ในเมื่อไม่โกรธความเดือดร้อนมันก็ไม่มี ผู้โกรธก็เดือดร้อนแต่ผู้เดียวยิ่งโกรธแล้วเขาไม่โกรธตอบคาไปความเผาฝานของไฟมันก็เผาเขาแต่คนเดียวหมู่คนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ร้อนด้วยถูกเผาคนเดียวร้อนคนเดียวแล้วก็ผลที่สุดก็แย่คนเดียวนี่จําให้ดีนะครับไอ้เรื่องความโกรธยั่วยุไอ้เกิดความโกรธมันมีอยู่เสมอในทุทกสถาน ในบางขอบรรดาท่านหลายที่เข้ามาปฏิบัติจงดูพระพุทธธรรมหักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่าถ้าจิตใจของเราฝึกฝนดีแล้วหมวายความว่าเราทรงพรมิหารสี่ดีแล้วเป็นฌานสมาบัติหรือว่าทรงเอาสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งดีแล้วเป็นฌานสมาบัตินี่อ ย, อย่างต้นนะอย่างเล็กๆ เ, เราจะไม่แสดงการโกรธตอบ ถ้ายิงไปกว่านั้นอย่างองค์สมเด็จพระพักกวันสทรงไต่กินเลดเป็นสมุทเฉติบาหารเป็นอรหรันคือยอดข้ออรหรันจะไปโกรดตอบอะไรทีงกล่าวว่าคนที่ไ่โกรดตอบเขานั่นจะเป็นคนดีคนตอบเป็นคนเลวจาไว้ตรงนี้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำกายทำใจไว้พร้อมนะครับท่านจงยานึกว่าท่านจะไม่ถูกเขาดา่า ท่านจงอย่าคิดว่าจะไม่ถูกใครเขาก็แรงและจงอย่าคิดว่าจะไม่มีใครเบียดเบียนท่านและจงอย่าคิดว่าอารมณ์โกรธนี้นั่นจะไม่เกิดขึ้นกับใจของท่านแต่คิดแบบนี้ก็ประมาทเกินไปเป็ น, นัันว่าเราๆท่านๆหลายก็เคยโดนกันมาแล้วทุกคนเวลาเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาล้วก็โกรธไปมันเป็นความสุขและความทุกข์ แล้วก็เห็นได้ว่ามันก็เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุข น, นี้เราลงมาคิดใหม่ว่าเขาด่ามาเราก็ไม่ด่าไปเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธไปยากเช่นดายังไงก็เชินดาอยากช่นโกรธยังไงก็เชิญโกรธใจเราก็เป็นสุขมีความไม่สุขสบายอารมณ์ใจก็สดชื่นไอคน้คนด่าคนโกรธก็บ้าไปคนเดียวเท่านั้น เมื่อเขาอยากจะบ้าก็บ้าไปเรากไม่บ้าอันดับแรกจะต้องใช้ขันติคือความอดใจรู้เบะขาพยายามวางเฉยในตอนต้นก็ควรจะใช้คําว่าพยายามวางเฉยเขาพยายามอดกลั้นเมื่อออดกลั้นนานๆพยายามนานๆเข้าความเคยชินไม่เกิดมันก็มีอารมณ์เฉยเป็นเบะขาปกติ อยากจอด่าก็ด่าอยากจะว่าก็ว่าอยากจะโกรธก็โกรธตามเรื่องข้อในฉันไม่เกี่ยวนี่เป็นอันว่าพราม์นั้นไม่ได้ฟังกระแสพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วทรงเรื่มใส ย, ยิงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนา ว, ว่าฆ่าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพาสิทของพระองค์แจ่มแจ้งนั้งในเขาซ้ำนะพระโคโดมผู้เจริญสงประกาศทมโดยปริยายเป็นมากเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่ควา่าหรือว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือสองปฏิปแก่คนที่อยู่ในความมืด หรือว่าคนที่มีจักษุบอดทำไมินทางได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์ผู้เจริญและขอถึงพระธรรมขอถึงว่าสงว่าเป็นดีพึ่งนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์พึงขอบรนใชาอุปสมบทในบรรสนองพระองค์พระสมณะโคโดมผู้เจริญในที่สุดต้นพราหมณ์ผู้นี้ก็บวด บวทภายในไม่ช้าก็บาร ล, ตตบลุอรหัตผลอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพยุคาวาจรทั้งหลายเวลาเลย อ, อีหนึ่งนาทีพูดอะไรไม่ไหวก็ขอยุติพเพียงเท่านี้ขอเตือนใจว่าท่านทั้งหลายถ้าจะทรงความดีในเครของของพุทธศาสนาก็จงอย่าลืมพระวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าบุคคลใดผู้ชนะความโกรธชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยากแต่ความโกรธที่เราจะชนะได้ยากนี้ก็ต้องอาศัยพมีหารสี่ประจำนใจหรือว่าทรงชาญในกสินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งได้จริงจะเป็นผู้ชนะที่ชนะเบื้องตน้นเบื้องต้นนะถ้าไปชณะความโกรธได้แล้วก็ชื่อว่าเราเดินเข้าไปสู่พระิพานได้ขั้นหนึ่งรามันมีสามขั้นแบบนั้น ละความโลภละความโกรธละความหลงเวลานี้เวลาก็หมดลงก็ขอยุติิวทติเพียงแต่นี้ขอบรรดาท่านหลายจงตั้งใจทรงอารมณ์ใจให้มีความสบายตต่งกำลังใจที่สามารถจดส่งได้ตามที่ทนเห็นว่าเป็นการสมควรเกเวลาของท่านสวัสดี